การปฏิบัติถึงค่าวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงค่าวเขียบขาดต้องเขียบขามันเป็นไปในในจิตนี่เองอถึงค่าวจะอารมณ์ก็ต้องอารมณ์ถึงค่าวจะผ่อนผันทัานยาไปตามเหตุตามการตามชาติตามขันมันก็มีอถึงค่าวที่จะหมุนติ้วไปตามอัดตามทำโดยไข่ยเยื่ยมมันก็มีอะไรอะไรจะ สลายไปที่ไหนก็ไปเถอะว่างจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็เมืมการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวที่จิกไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่ควรจนลงอย่างหนักมือก็มือประเภทคือควรจะ ความฝันที่ยาวไปตามมันก็มูตามการตามสมัยหรือว่าตามเกี่ยวเรื่องชาติเรื่องขัน เ, เรื่องกําลังทางขาของส่วนมันก็ไม่ทัื่งขาวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็ไม่เมื่อเรื่งข่าวเช่นนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทั้งบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดนะให้ลงหมดแม่ที่สุดจงกระทั่งวัจิตเอาจิตจะดับไปด้วยการคิด ด้วยการพัฒ น, นานในสินธนาที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตมันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในในร่างของเหล่านี้ก็ให้มันรู้นั่นถึงถึงคาวที่จิตมันจะล้างล้างโลกออกจากใจเนี่อโลกคือคิเรสนะสมมติทั้งปวงที่มันแทรกสิสจิตใจถ้า ม, มันเป็น กองยิ่งกว่าภูเขานี่กว่าตามอยู่ภายนจิตมเนเยอะกว่าสงครามล้างโลกถึงข่าที่จะล้างให้หมดเอาจนขนาดนั้นเลยจนล้างไปจนกระทั่งจิตไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยองการเสียที่เลศมันก็ดับไปดับไปดับไปจิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทําลายด้วยสติ ป, ปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่าไม่ต้องเสียดายแล้วหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่ง ถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็นทําทไมพระพุทธเจ้ารสรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังหลืยอยู่ในโลกชาวโลกอรหรันต์อรหันต์ท่านบําเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรล่ะสิ้นสุดดับศูนไปหมดภ า, ายในจิตใจแต่ทําไมคําว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราถึงถึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะด้ย ทำลาย จ, จิตใจลงไปจักระทั่งดับไปทั้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นเอถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมพุจ้าจิตก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นยิ่งอย่างพัดเลยอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่ากิเลสทับจิตใจ มันไม่มีในโลกความโกรธกดเป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่แล้วประเภทประเภทมันทับผมสิดใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้การแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างต่าการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆ มันก็ต้องได้ทําหลักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทําเหมือนกันจีเลศทับผมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับจีเลศเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือจีเลศสลายตัวลงไปโดยลําดับลำดบสุดท้ายจงจีเลสไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการคุกการทับสู้กับจีเรศคือเป็นทุกข์ หรือเราเป็นทุกข์เพราะการชู้กับยิเลสผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไมนคาดไม่ฝันเนี่ยเราต้องเทียบเทียนเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สองแสวงหาหนี่ก่อควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของยิเลสจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอดสอง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 ในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยอุบายวิธีแก้จะของมันต้องแก้เองปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไหร่คล้อยไปตามเท่าไหร่มันยิ่งจะคิดจะปรุงทั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุ่นหมายาก่ตนเรื่อยๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกอยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้ าการระงับการแก้ไขาการเพื่ออบายปัญญาคือหนักบ้างเบาบ้างทุกบ้างลาบากขนาดไหนก็ตามอายอมสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเพณที่ไม่ดีนั้นแล้วจะรับความติดขึ้นมาโดยลำดับเราต้องหยอมเราต้องสู้อยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้ น, น, น เป็นเจ้นเป็นผู้ ร, รักตงไม่ปล่อยอะไรให้คามาเผารวมเลยปล่อยอวันนั่งคำคุณนังลแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยิาก ร, ร ม, มันก็เป็นเรื่องนิธากรรมไปเลยหาสาระภานในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย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 เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่นเหยียบย่ำทำลายลงหนักมือเขาโดยลนับถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขอ่ะอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดค้ณคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีเรารีบแก้มันก็มีทางกำเนิดกล่บไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภายของจิตใจก็คเรื่องของสิเล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 มีแต่พิษไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมกต่พิษขึ้นพนาจิตใจหายอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่เราจ้องตัณห์เรามากน้อยเป็นไงความตําหน์เขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตําหน์ไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีฐานะเต็มตัว เราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียดยันทลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนันไม่ต้องคนกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะขณะ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 การเดินก็เหมือนกันยนข้าปการฝึกจิตนี่สำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดพูดงนะ่อยแล้วเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียว น, นะมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหักห้ามฝึกใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม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 พอทนนุนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนมันมีทุกข์เจา้ า, านนจปนอยู่ด้วยกันทุกคนและไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เจ้อปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นล่ะขึ้นชื่อว่าทํางานเนี่ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานจะอยู่เฉยๆมไม่ให้มีทุกข์ทั้งๆที่เราทํางานอยู่ให้มัน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 เป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันได้เดยลำดับเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทําให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำาะไรทํามันเกิดไม่ได้เลยเรื่องที่ว่าจะทำอะไรลงไปกลัวแต่ลำบากกลัวจะทุกข์หาจะเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวเองนี้มันเคยเป็นมาแล้วขอจะให้มารกบกวนเรามากมายนักเลย ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาท่านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทํานี่คืออุบาสของเรื่องของอกิเลสที่เคยเหนือเข้าใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่า น, นี้คือเรื่องฝ่ายต่ํามันจ ะ, จะมาเหยียบย่ําทําลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะถลักมาันออกไปก็ถลักบ้างควรจะต่อสู้แล้ววิสิใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่า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 ล้างมือควายเปิดถ้าหลบสไลด์ท้งโู้นคนไม่ทุกข์จะสะลบสไหลหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นหละการทำงานเป็นอย่างนั้นเป็นคติตัวอย่างได้ทุกอาการที่โสมแสดงออกมาเราในฐานะพุทธบุตรศักไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกทกะเบียดก็ตาม ได้แบบศิษมีครูก็ยังดีถือว่าเป็นตัวอย่างทั้งการบําเพ็ญทั้งการยึดถือฝักเป็นฝักตายในองค์พุทธะคือพระพุทธชัยชาคุบรุษเราดีไม่อนเราที่เด็ดเป็นครูซะอย่างดีอะท่าเดียวยังเห็นจิเลสเป็นไผ่บ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ่ะเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของจิเลสไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของจิเลสเป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้ไม่ได้เพราะมันจะตะเคือนคําว่าเราสิ่งที่มันเป็นค่าตศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลําบากงั้นเราเห็นว่าเป็นพี่เลรศเราก็พี่เรศก็เป็นค่าตศึกกันก็ต้องต่อสู้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนลกคนไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่น่ะความที่พอมีสตินี่นหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดนี้ต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแจ้าอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดเตรย่านอย่างทุกขยอมรบับการทํางานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาด ท, ที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กัน ไ, ไกันไปทํากันไป าพาฝืนกันตายบึกบึนกันตายสมกับเราเลีเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อด้วยความเห็นทุกนี่เป็นทางเดินของนักปราชญ์ท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่การจะหลุดพ้นว้วนแ้กับ เป็นผู้ตกเกียจตะกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปลือ้อนเพราะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกสิษของทศกุลแล้วแหวกแนวยุ่งกับครูอย่างเหลือหนักครูมีความทุกข์ลูกสิษเราก็ลูกสิษก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็นอ้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้เต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อของต่โดยครอบทม ทุกข้อการงานยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะกไอ้ทุกข์บองเวลามันจะทายใี่สิใายจะช่วยเราได้อทุกข์ในเวลาทํางานท่านมันทุกข์กัมากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกขง์งานก็ลระงับไปใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงเราหยุด ความทุกข์มันก็ดับคือเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดเท่าก่อนทางนี้ทุกข์นั้มันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั้นล่ะมันระงับได้ไหมล่ะนี่สมมติวันนอนอยู่มันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย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 อันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดูเรายังจะทนึ้นดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยั ง, ยงทนจนกระทั่งตาย อ, อันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่นี่แล้วยังพอถอยได้ทำมเราจะทำมาได้คิดดูเรามาเทียบแบบนี้ความขยันความบึกบึนความมีใจใจความอาหารพันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียวาอุบายปัญญาอันหนึ่ง เวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี่มาใช้นั้นก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความข้าหาันไม่สะทกสถทานต่อสู้กันได้ใช้ชนะไปล ำ, ำดับดับในขณะนั้นก็มีในมีระอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นโดยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยา บ, บททั้งสี่จะเอาไปใช้ ประโยชน์ในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตานั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นหลยมีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกท่าเดียวจนกระทั่งถึงแตกไปเลยเอ้าวขณะที่เราจะสู้นี้ทำไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกมันสู้ไปได้จริงเราถอยได้อืมอันนั้น นี่ยพอฟั์พอเหลี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้เราคิดเอาขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภานจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่าทําลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่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 อะไรจะสลายจะขยายไปเสดายมันอะไรความเสดายเป็นความเยื่อใหญ่เป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อาทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยก็เรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้ ง, ข, งขึ้นทั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไป ธรรมชาตินี่เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดบับและจะกลัวความเกิดความดาบับกลัวความร่มควาจมภายในจิตอย่างไรกันเ อ, อมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชาต์ตามความจริง น, นี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปที่ไหนถึงตัวนักหนาในขณะจะตา ย, ยมันหลอกกันเฉยๆเนี่ยตามความเข้าใจของท่านของเราถ้าพูถึงว่าหลอกกันนะ แต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกว่าตายตายกายเนี่ยอืโลกของสมุโกันมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแลอยมันหลอกกัรนัน่งมันไม่มีอะไรตายถ้าือดินนั้ น, นลงไปสลานไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนะจิดผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไมไ่ตายนี่เห็นชัดๆอย่านี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดๆดูว่าไม่มีนี่มันยิ่งเด่น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 การรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมนนั้นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีปัญญาหน่ะเนี่ะคือขั้นสำคัญสำคัดผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็น่าตตามเป็นจริง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 มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแะ่ะเลี้วไหลอะพระชนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เล้วไหลต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็าตา ม, มากกว่าก็ตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปทุกคือเรื่องของทุกเราผู้รู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากลย เหมือนกันเมตนาสัญญาจําได้แล้วมันดับจําได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับดีนั่นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านรเรียกว่าสัญญ า, า, า, า, ตตาอิจฉาสั้ญาหน้าตาสังขาปรปุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไหร่มันดับเพราะไปด้วยขันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราก็ไปสู่สังขารเราเกิดดับวันยัางข้าหาความสุขไม่ได้เลยนั่นวิญญาณ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 เป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวจะหนับไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันดูและรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้ว่าเป็นตัวงตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ซักว้ด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอน นี่ละท่านผู้แน่นอนคือท่านพูดดูรู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงตลอยวางฉชัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่จริงแค่อยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตอนมีจิตเป็นต้นนนี่นี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นไทย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 เยียกว่ารู้รู้กันละกัถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิดก่วงกิจการของเราเนื่องมาจากอุทานมันก็หมดไปหมดไปเยี่ย่าจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความน้ำพันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แล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 ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลําดับลาดับลาดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลําดับลําดับอืมความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดอืมทำโมปรีโปจมหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงจิต ด, ดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยนี่จมหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทำแท้ทำแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้ เรียนในกมพีเรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจําเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามสมหัักตำหลาเราเรียนจำเท่าไหรก่ก็มีแต่ความจําไม่ใช่เป็นตัวของตัวแท้เอาความจํานั้นนัง่งเข้ามาปฏิบตัติให้เป็นความจริงจมรา ก, กดขึ้นเป็นธรรมโมปฏิปุปเฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้ ชั้นทีติโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอืปัจจตเวรที่จะบวชเป็นโยนีท่านผู้รู้ถนัดจะพึงรู้จำเพราะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเั็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเออแสนสมัหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเพียงไรวุ่นวายในขนาดไหนก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงอม เรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวาง ม, มากมายไกลจากตัวของเราไปแตพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิจนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี้เรายังสามารถแยกออกทําไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลโ น, น้นการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นอให้ผลขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ใช่ ท, ที่จะแก้ที่เด็ ใ้ที่จแก้ความโง่เจ้ขอ ง, องเท่านั้นไอพิจาอะไเรียนตรงนี้อะเรียนทำเดี๋ยวไปเรียนที่อื่นให้มากมากกว่ากาองเพราะทุกอยู่ตรงนี้โทษใคยมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณค่าอันสําคัญสำคงังก็เกิดไปที่นี่อาละการแสดังทำขึ้นสุขวัร